แล้วก็การบริโภคนี้จะให้อัตภาพดําเนินไปแล้วก็บริโภคชนิดที่ไม่มีโทษและก็เป็นการบริโภคที่อยู่สบายเรียกว่าอะไรนะรู้จักประมาณในโภชนะตรงนี้ยกยกอาหารมาถ้ายกอาหารมาก็เท่ากับว่ากล่าวถึงเครื่องนุ่งหม่มกล่าวถึงเรื่องที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบางทีพวกเธอเพิ่งมีความคิดว่า เราเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะคือคนที่เจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูจากพุทธพจน์เนี่ยเขาเหล่านั้นเขาเจริญอะไรเนี่ยเขารู้อยู่เขารู้อยู่นะว่าเขามีคุณธรรมอะไรบ้างพิจารณาสมบัติของตนพิจารณาวิบัติของตนพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีตรงไหนบ้างมีข้อด้อยตรงไหนบ้างสิ่งใดที่ตัวเองเจริญได้บ้างคือเข้ามาในศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องรู้ตัวนะว่าเราได้อะไรจากพระศาสนาบางอย่างพระพิสูจน์ที่ศึกษาปฏิบัติท่านจะรู้เช่นว่า เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตปะแสดงว่าท่านได้ทรัพย์คือหิริโอตปะจากพระพุทธเจ้าไปมีกายสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์มีทวารอันคุ้มครองดีแล้วนะก็เรียกว่า คุม้มครองอินทรีย์ทั้งหลายรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เปื้อนบาปรู้จักประมาณในโภชนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เป็นเบื้องต้นทรัพย์ที่เป็นกลุ่มศีลทั้งหลายทรัพย์คือสุตะทรัพย์ ค, คือศีลทรัพย์คือฮิริโอตปาเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้ได้มรดกพระพุทธเจ้าบอกพอแล้วเพียงเข้านี้ก็พอแล้วนะพวกเราทําเสร็จแล้วละสามัญญาธรประโยชน์ของความเป็นสมณะนักบวชเราถึงแล้วโดยลําดับกิจอะไรอะไรที่ควรทําให้ยิ่งไปกว่านี้ ไม่มีพวกเธอยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้บอกพอแล้วนะถ้าพูดแบบสายตาสมัยใหม่ ย, ยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ยได้รับพระดีขนาดนี้กราบไหว้เนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นก็พระบางรูปก็เลยพอใจหยุดอยู่เท่านี้พระองค์ก็บอกว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญาทะมรคนิพาน คือผลแห่งความเป็นสัมมณะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยเนี่ยนะดูการพิสูจนทั้งหลายกิจที่ที่เธอทั้งหลายควรทําให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นอยู่อะไรเรียกว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะ ว่าเราจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จักทำเป็นเครื่องกลางกั้นคือ น, นิวรณ์เพราะฉะนั้นอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนของเรานิวรณ์ต้องไม่กลุ้มรุมนะทั้งยืนก็นิวรณ์ไม่กลุ้มรุมเดินก็นิวรณ์ไม่กลุ้มรุมนั่งนิวรณ์ก็ไม่กลุ้มรุมเพราะอะไรเพราะกลางวันเนี่ยน ะ, ะกลางวันเนี่ยอยู่ด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันพอตกกลางคืนจงกรมและนั่งตลอดปฐมยาม ตอนเที่ยงกลางคืนนะสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยนะจากสำเร็จการนอนดังราชสีโดยเท้าเบื้องขวาซ้อนเหลื่อมเท้าเบื้องซ้ายเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะตั้งมนุิการไว้ในที่จะลุกขึ้นอุทานสัญญาตั้งนาฬิกาจ่ายไว้เลยว่าจะลุกเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะเรียกว่านอนตลอดมัชิมยามแห่งราตรีหลับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นในปชิมยามแห่งราตรีชราระจิตให้ ปราศจากนิวรตลอดปัะชิมมยามแห่งราตรี เ, เรียกว่ายืนกลางวันนิวรณไม่กลุ้มรุมหัวค่านิวรไม่กลุ้มรุมกลางคืนก็นอนแต่เช้ามืดกระต่นแต่เช้ามืดนิวรไม่กลุ้มรุมสังเกตดูท่านอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะอยู่แบบ เ, เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนนิวรไม่กลุ้มรุมและเป็นผู้มี เฮริโอต ป, ปะมีกายสมาจารวัจีสมาจารมโนสมาจารมีอาชีพที่บริสุทธิ์มีอินทรีย์สังวรโพชเนมตันยุตาเนี่ยนะแล้วใช้ชีวิตเป็นชากริยานุโยกแบบนี้แหมถ้าคิดในหนึ่งนะถ้าใครที่ทําได้ขนาดนี้น่าปลื้มใจน่าดีใจมาเรานักปฏิบัติจริงๆนะผมก็บอกว่าพวกเธอบางทีอาจจะมีความคิดว่าเราเนี่ยนะประกอบด้วยหิริโอตัปปะมีกายสมาจารมีวจจีสมาจารที่บริสุทธิ์มโ น, นสมาจารที่บริสุทธิ์อาชีพก็บริสุทธิ์ มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเพราะมีสติสัมปชัญญะรู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้ที่ประกอบเนืองๆในชาคริยานุโยกกิจเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะสำหรับเราเราทำกิจเสร็จแล้วสามัญญะประโยชน์ของความเป็นสมณะเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไ ร, ะไรที่จะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกต่อไปพวกเธอพึงถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญะประโยชน์แห่งความสำเร็จมรรคผลที่พวกเธอปรารถนาเอาไว้อย่าได้เสื่อมไปเลยอย่าพอแค่นี้นะอย่าพอทีนี้องค์ก็ถามว่าดูความพิสูจนทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนีย่ยเป็นอย่างไรที่ยิ่งกว่าที่กล่าวไปแล้วมีอีหรือบอกมี พวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ศึกษาก็คือสม า, า ธ, ธานอธิษฐานตั้งจิตนึกคิดที่จะปฏิบัติตามนี้ให้ได้ว่าเราทั้งหลายจับประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ สัมปชัญญะตัวนี้หมายถึงสัมปชัญญะสี่เราจะต้องประกอบด้วยศาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะศาธกะสัมปชัญญะคํานึงถึงประโยชน์อยู่เสมอสัปปายะสัมปชัญญะใส่ใจว่าเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายโคจรสัมปชัญญะไม่ทิ้งสมถะและวิปัสนาอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่โง่เขลาหลงงมงายใน ในสิ่งทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปเช่นในการก้าวไปและถอยกลับการก้าวไปและการกลับไปมานี่มันมีประโยชน์อะไรการไปการมาเนี่ยมันเป็นสปายะจริงหรือการไปการมาเนี่ยเจริญสมถาวริปัสนาได้ยังไงการไปการมาเนี่ยนะทั้งหมดคืออะไรอะไรไปอะไรมาองค์ประกอบที่ทําทเป็นเหตุให้ไปมาคืออะไรจิตจิตติชรุ รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานที่เป็นเหตุให้อิริยาบดขับเคลื่อนเป็นการก้าวไปและถอยกลับทีนี้ทําสัมปชัญญะในการแลการเหลียวนะถ้าแลเหลียวเนี่ยนะดูยังไงแลเหลียวก็แปลว่าดูดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูสูงดูต่ําจะดูอะไรก็ช่างแต่ขอให้ลืมตาแล้วลืมดูลืมตาดูเนี่ยนะดูการดูอย่างนี้เนี่ยดูมีประโยชน์ไหมอันดับแรกดูแล้วมีประโยชน์ไหมศาสตะกะสัมปชัญญะดูแล้ว เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลไหมสั ป, ปายะสัมปชัญญะดูแล้วเจริญสัมมาทวิปัสสนาต่อเนื่องได้ไหมเป็นโคจระสัมปชัญญะแล้วโลกทวารตาที่ดูเนี่ยคืออะไรอาศัยจากขู่กับโรคเกิดจากขูวิญญาณทำสามอย่างประชุมกันเป็นพัสสะพัสะสะเป็นปจัจจัยจงเกิดเวทนามนาเสกการโดยขันอายาตนะท่าสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาตในทวารตาเป็นต้นอันนี้เรียกว่าไม่โง่เขลาหลงอมงายในทวารตา ก็เจริญสัมปชัญญะในการดูการเห็นอย่างนี้แล้วก็สัมสติสัมปชัญญะในการคู่เข้าและการเหยียดออกอันนะั้นคู่เหยียดไอ้ที่คู่ที่เหยียดเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้คู่เจตจิตตชรูปแล้วก็แขนคู่แขนเหียดเนี่ยนะประโยชน์ของคู่เหยียดเหยียดทําไมคู่ทําไมประโยชน์ก่อนอันนะั้นมีประโยชน์ไหมแ้วถ้าวางไว้นานๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคู่ตามการเหยียดตามการมีประโยชน์ไหมมีแล้วก็แล้วสบายไหมล่ะ พอไปวางผิดที่ในเดือดร้อนแน่เนี่ยนะคูคูคู ค, คูให้มันถูกต้องคูผิดเนี่ยนะไวเกินไปเร็วเกินไปนี่ก็เดือดร้อนแล้วขณะที่คูเข้าเหยียดออกเจริญสมถะและวิปัสนาไหมแล้วองค์ประกอบของการคูเหยียดทั้งหมดคืออะไร น, นะจิตเจตจัโรก น, นะแขนที่กําลังเป็นไปเนี่ยนะจิตเหล่าใดที่เป็นเหตุให้คูแล้วก็มนาสิการโดยขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมบูตบาททั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยนะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทรงสังคาติบาทชีวอนอันนีม้มาเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่ผ้าสังคาติกับชีวอนก็คือเกี่ยวกับเรื่องนุ่งหม่มบาทก็คือภาชนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารมีประโยชน์อย่างไรในการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ใช้อย่างไรจึงจะสับปายะใช้อย่างไร่วบคู่กับการเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วเช่นผ้าที่มาห่มกายเนี่ยนะอาัมโมหะไม่หลงลืมผ้ามันรู้ไหมว่ามันห่มกายกายรู้ไหมว่า ผ้ามาห่มตนเคยเห็นผ้าผ้าห่อจอมปลวกไหมสมัยใหม่เรียกผ้าห่ม JD. เจดีผ้ารู้ไหมว่าตัวเองนี่หอมเจดีเจดีรู้ไหมว่าผ้าตัวเองนี่ถูกผ้าเอามาห่มต่างฝ่ายไม่รู้ฉันใดผ้าทั้งหลายที่เรานุ่งห่มกายก็ไม่รู้อัน pues, ผ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่ห่มกายกายก็ไม่รู้ว่ผ้านี้ห่มต่างก็เป็นอพภยกรตะทั้งคู่ไม่เผลอต้องไม่ลืมว่าพวกนี้มันไม่ได้คิดเองนะมันคิดเองไปเป็นรอกเป็นอจัจเจตนา เป็นสุญญตาว่างจากสักบุคคลเป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าอสัมโมหะสัมปัญญะทีนี้เจริญสัมสติสัมปัญญะในการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยนะการขบฉันการเคี้ยวการดื่มการลิ้มลิ้มก็คือพวกแบบอะไรสมัยใหม่ก็เรียกว่าจิบของหวานจิบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะ รู้ไหมว่าประโยชน์ของการดื่มทั้งหมดคืออะไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ดับแรกสองเป็นที่สปายะสบายหรือเป็นสบายเกื้อกูลต่อกุศลหรือไม่เป็นอุปการะต่อกุศลเป็นที่สบายต่อสมถาวิปัสสนาไหมสองอต่อไปสชั้นอย่างนี้แล้วเจริญสมถาวิปัสสนาควบคู่ไปได้ไหมสุดท้ายอะไรดื่ม น, นะมีใครงัดปากให้อ้าขึ้นไหมแล้วสูบเข้าไปได้ยังไง สูบเข้าไปแล้วไปวางอยู่ตรงไหนแล้วมันกลืนลงไปแล้วมันดูดซับดูดซึมไปยังไงมันไหลผ่านอะไรแล้วอาหารที่ดื่มเข้าไปมันเปรสภาพกลายไปหล่อเลี้ยงกายเหล่านี้เป็นต้นอย่างไรแล้วก็ที่สุดของอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยประโยชน์ทั้งหมดของอาหารคืออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะไม่เผลอเนี่ยนะคือคือมองออกอย่างตลอดสาย เธอทำสัมปชัญญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเรียกว่ารายละเอียดแม้แต่เล็กน้อยเล็กๆน้อยนเนี่ยนะเดินเล็กเดินน้อยยืนจะนั่งจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งโดยที่สุดจะนิ่งก็ร่วมประโยชน์ของการนิ่งคืออะไรนนจะพูดพูดทําไมประโยชน์ของการพูดพูดทาไมตื่นตื่นทําไมประโยชน์ของการตื่นเนี่ยนะประโยชน์หลับมีประโยชน์ไหมถ้าไม่หลับเสียหายไหมเนี่ยนะ หลับเรียกว่าจะเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรหรือถ้าไม่ทําอย่างนี้เสียหายจากประโยชน์อะไรก็แล้วว่าแบ่งเวลาถูกว่าแค่ไหนอย่างไรแล้วเป็นที่สบายต่อการเจริญสมถะและวิปัสนาจริงหรือเปล่าและเจริญสมถะวิปัสนาในทุกครั้งที่เดินที่ยืนที่นั่งที่เรียกว่าก่อนหลับก็เจริญสมถะวิปัสนาตื่นขึ้นมาก็เจริญสมมถะวิปัสนาต่อไปเนี่ยนะพูดก็พูดด้วยธรรมที่เป็นศีลสมาธิและ ปัญญานิ่งก็นิ่งแบบนิ่งแบบคนมีกรรมฐานที่เรียกว่าโคจระสัมปชัญญะเนี่ยนะแล้วทั้งหมดอะไรทําให้ยืนเดินนั่งนอนจิตจิตตเชรูปหรือว่าจิตตชาวาโยธาตร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างโดยเฉพาะร่างกายที่เป็นโครงกระดูกขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวด้วยจิตตชาวาโยธาตซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเหมือนกับหุ่นกระบอกเนี่ยนะเคยดูหนังตลุงไหมหุ่นกระบอกหรือหนังตลุงทั้งหลายเนี่ยมันขยับเขยื้อนมันขยี้ขยักมันเป็นไปได้ยังไงเห็นไหม แล้วก็ทั้งหมดนั่นคืออะไรแล้วก็มนาศิการว่าเป็นรูปประคันเนี่ยนะเป็นรูปประคันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันขันอายตนะธาตและก็ปัจจัยมนาศิการต่างๆกล่าวว่าเจริญสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจเนี่ยนะเจริญสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจก็เท่ากับเจริญสัมปชัญญะ28่สเนี่ยนะโอ้ได้บุญเยอะเลยนะถ้าเจริญได้ขนาดนี้ใครทําได้ก็อนุโมทนาด้วยนะมีบุญจริงๆ บางทีพวกเธอเพิ่งมีความคิดว่าพวกเราเนี่ยนะเป็นผู้ประกอบด้วยหีริโอตา ป, ปะเราเนี่ยเป็นผู้มีกายสม า, ารจันบริสุทธิ์เรามีวจีสม า, ารจันบริสุทธิ์เรามีมโนสม า, ารจันบริสุทธิ์เรานี่มีอาชีพที่บริสุทธิ์เราเป็นผู้มีทวารอำคุ้ณครองไว้ดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเรารู้จักประมาณในโภชนะเราเป็นผู้ประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ โอ้เก่งเหลือกเกินนะเนาะเพราะฉะนั้นด้วยกิจเพียงเท่านี้พอแล้วเราทําเสร็จแล้วว่งั้นอ่ะประโยชน์ของความเป็นสัมมาณะนักบวชเราถึงแล้วโดยลําดับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องทยายายิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเธอก็เลยยินดีหยุดอยู่ด้วยกิจเพียงเท่านี้โอ้ประสบความสำเร็จแล้วละพอเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายนะที่จริงพระพุทธเจ้ามีเมตตางีงนะคอยบอกเออ คือคือคุณธทรรมแต่ละอย่างที่ยังไม่ก้าวหน้าทําให้ก้าวหน้าพระง์ให้กําลังใจเสมอนะพอเจริญปั๊บแหมได้แล้วหยุดใหม่พระองค์ก็บอกไปเตือนเด็กมีอีกนะนะ ก, ก็ไปแนะนําไปชี้นําไปตักเตือนอันนะไปสงเคราะห์ไม่ใช่เตือนแบบขู่กันโชคโคกค่าอะไรนะแต่หมายคือว่าเข้าไปหวังอนุเคราะห์หวังประโยชน์เกื้อกูลเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่ากิจที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีก สามัญญัประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นประโยชน์อันสูงสุดที่พวกเธอปรารถนาะอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะคือพระองค์เป็นผู้ที่ฝักใฟประโยชน์สูงสุดให้แก่สาวกทั้งหลายอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายกิจเหล่านั้นเนี่ยนะที่าศาสดาที่มีใจกรุณา ทำแก่สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจกรุณาหวังประโยชน์เพื่อกูลแก่สาวกทั้งหลายอันนี้เป็นพระธรรมที่โปรองเนี่ย รสรูเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่รู้มักเป็นผู้ที่ฉลาดในมักรู้จักวิธีการดำเนินรู้จักข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการสอนบอกค่อยๆบอกค่อ ย, อ ย, อ ย, อยสอนเป็นไปโดยลำดับเหมือนอย่างว่ามารดาที่หวังความเจริญแก่บุตรค่อยๆแนะนำเป็นไปตามลำดับชั้นใดเนี่ยนะ พระพุทธเ จ, เจ้าก็เป็นยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยิ่งกว่าพ่อแม่นายวัตตาทั้งหลายเพราะชักชวนแนะนําให้สัตว์ได้รับประโยชน์ที่สูงสุดจริงๆแต่ว่ากิจเหล่านั้นก็ยังไม่หมดนะนะก็ยังมีที่ยังต้องกล่าวต่อไปอีกแต่ว่าแต่ว่าพักเท่านี้ก่อนละกันนะนะนั่นก็พักเท่านี้ก่อนนะขอเราอย่าได้สันโดษว่าเราฟังเท่านี้ก็พอแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องให้ฟังอีกเยอะเนี่ยนะเห็นว่า